ที่เคยรีบเรีกลับมาสว่างไสวแค่ได้สบตาก็อยากจะคว้าเธอมาเก็บไว้เปิดลอกทุกคนดูใจเปิดไว้ให้เธอรีบจองปราะนา เสนอจะยกให้เธอทุกคนหัวใจหนึ่งห้องที่มีจะเก็บรอยยิ้มที่เฟ้าคิดถึงพนังในห้องที่หนึ่งรอยยิ้มเธออยู่ในนั้นจะเก็บดวงตาของเธอคู่นั้นเหมือนของสม ที่สองใจกันสีทองที่ข้างประตูเก็บแก้มหอมหอมเท้งคู่ฝากไว้แทนที่ดอกไม้ส่วนห้องที่สาง ให้เธอทุกของหัวใจ เพียงแค่ห้องที่สี่ฉันขอเธอหน่อยได้ไหมหกตะล่างแม็จะเก็บเอาไว้รักษาแผลใจเพื่อต้องช้ำในครั้งใหญ่เก็บไว้เพื่อเป็นเซฟโซ